ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้วันนี้อาตมาภาพจะได้นำโอวาทของการปิดการอบรมที่ประเดจพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุท ธ, ธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งมาเป็นประธานมอบบุทบัตรและให้โอวาาแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระกรรมฐานประจำปีที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นประจำซึ่งอีกในฐานะหนึ่ง พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จ ก, ก็เป็นองค์ประธานของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายต่อซึ่งต่อมาก็ได้ตั้งเป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามซึ่งทําการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบันวันนี้จึงขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังโอวาทของเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ก่อนที่จะ รับฟังโอวาทนั้นก็รับฟังคํากล่าวรายงานของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพรสุธธรรมกายรามผู้อำนวยการสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายกล่าวถวายรายงานแด่เจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จจากนั้นก็ขอเชิญติดตามรับฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณท่านพร้อมกันเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จอง์ประธาน สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่เคารพอย่างสูงกล่าวในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและในนามของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา สาธิชนทั้งหลายที่มาเข้ารับการอบรมมีความปลื้มปิติยินดีที่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณหลวงพอ่อสมเด็จได้โปรดเมตตามาประกอบพิธีปิดการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่36นี้และประธานโอวาทแก่ คณาจารย์ผู้บริหารแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้ารับการอบรมได้อาศัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไปสำหรับการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่ส6นี้ก็ได้ ปฏิบัติดังเช่นที่เคยเป็นมาทุกปีคือได้จัดเป็นประจำปีละสองรุ่นรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงส4บสี่พฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบสีธันวาคมของทุกปีนอกจากนั้นในระหว่างการอบรมก็ยังได้จัด การเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีเสมอมาเฉพาะในการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่36นี้มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเข้ารับการอบรม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,090 ท่านซึ่งแบ่งเป็นพระมหาเถระและพระเถระจำนวนห0สิบรูปพระมัชฌิมาและพระนวากา296รการูปเป็นยอดรวมพระภิกษุที่เข้ารับการอบรมปีนี้ 346รูปส่วนสามเนนนั้นมี85รูปนอกจากนั้นยังมีสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาเข้ารับการอบรมอีก659ท่านรวม 1,090 ท่านนี่กล่าวแต่เฉพาะผู้เข้ารับการอบรม จากนอกวัดคือจากจังหวัดต่างๆไม่รวมจํานวนของพระภิกษุสามเณรวัดหลบสดธรรมกายรามอีกหนึ่งรกว่ารูปในระหว่างการอบรมพระกรรมฐานรุ่นปลายปีนี้ได้มีการเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่สถึงวันที่6กธันวาคมโดยมีท่านผูวาราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพญานมุนีเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสง์ ได้นำพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนนักเรียนนักศึกษาเข้าเจริญจิตภาวนาในระหว่างวันที่สามถึงวันที่หกธันวาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่เจริญจิตภาวนาและบันทึกทาพเพื่อนำออกเป็นรายการทางสถานีโทรทัศน์นั้น ได้มีผู้เข้าร่วมเจริญจิตตภาวนาในวันที่สามธันวาคมนั้นเป็นจำนวน 2,427 ยท่านสำหรับในการอบรมพระกรรมฐานรุ่น36นีกล่าวและคณนะได้จัดหนังสือธรรมะปฏิบัติและเทศสอนภาวนาธรรม เพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณรและแจกจ่ายแก่สาธุชนที่เข้ารับการอบรมหลายเล่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถวายหนังสือทางมรรคผลนิพพานอริยสัจสีหนังสือสวดมนต์ฉบับภาษาบาลีและหนังสืออื่นๆ แก่พระเถรานุเถราจําจำนวนทั้งหมด346รูปสามเณร85รูปและยังได้แจกหนังสือและเทพสอนภาวนาธรรมแก่ผู้ที่ปฏิบัติได้ผลดีในระดับต่างๆอีกด้วยสำหรับในการรับ วุฒิบัตรในวันนี้จะมีพระภิกษุที่จะเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน292รูปสามเณร83รูปอุบาสกอุบาสิกา88ท่านรวมจำนวนผู้ที่จะเข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้463ท่าน สำหรับผลการปฏิบัติปรากฏว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผลดีปานกลางถึงดีมากคิดเป็นอัตราร้อยละ20สบของผู้เข้าปฏิบัติทั้งหมดหรืออีกในหนึ่งคือหนึ่งในห้าส่วนผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผลดีพอใช้มีจิตสงบดีคิดเป็นอัตราร้อยละ80สิบ หรือสี่ในห้าของผู้เข้ารับการปฏิบัติทั้งหมดบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรและเป็นมงคลฤกิกแล้วกล่าวขอเมตตาพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จได้โปรดประทานวุฒิบัตรแก่พระภิกษุสามเณร อ, อุบาสิกาดังกล่าวนั้นและ โปรดประธานโอวาทแก่คณะผู้บริหารคณะวิทยากรและคณะพระภิกษุสามเณรอุบาสุบาสิกาผู้เข้ารับการอบรมได้แล้วขอรับครับผมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกุณาครับผมทุคุณภาวนาวิสุทธิคุณ ท่านพระเถระนุเถราท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทางประภิกษุสมณะและท่านสาธุชนญาติโยมทุกท่านการปฏิบัติธรรมของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้ได้ดำเนินการมาโดยลำดับ <c oughs> จนกระทั่งถึงปีนี้เป็นรุ่นที่สามสิบหมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติธรรม เสมอต้นเสมอปลายเคยประกาศว่าอย่างไร <c oughs> <c oughs> ก็ยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามอยู่ตามแนวนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมบางปีก็มากบางปีก็น้อย แต่ว่าเมื่อประมวลทุกส่วนคือทุกโครงการที่มาปฏิบัติทำกันแล้วเพิ่มขึ้นโดยลำดับอย่างที่มีสถิติปรากฏอยู่เฉพาะปีนี้เพิ่มขึ้น ท่านจาคุณพลนาวิสุทธิคุณผวมอำวยการเจ้าวาดวัดหลงพ่อสดธรรมกายาราม <c oughs> ได้กล่าวให้ที่ประชุมนี้ได้รับทราบร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากที่ทราบอยู่แล้ว <c oughs> เป็นเหตุให้ ท่านทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องในฐานะใดๆก็ตามเกิดความรู้สึกได้ว่าเรามาร่วมกันทำความดีซึ่งเป็นจุดที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายและพอทำได้ตามกำลังสติปัญญา วาสนาบารมีของตนของตนการมารวมกันทำความดีนั้น <c oughs> ไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดสอนหลังจากการตรัสรู้แล้วโดยเฉพาะ ในทํากลางพระสงฆ์องค์อาหารหันต์ในครั้งพระพุทธองค์และได้ทรงเน้นให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าความต้องการที่จะทําความดีที่เป็นบุญนั้นเป็นเรื่องที่มีมาแต่ไหนแต่ไร พระชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาล้วนแต่ปรารถนาสิ่งที่เรียกว่าบุญความดีด้วยกันทั้งนั้นแต่จะได้บุญตามที่ต้องการแค่ไหนเพียงไรก็แล้วแต่การปฏิบัติ ของเราบุญที่กล่าวนี้เป็นคำสั้นหรือความดีก็เป็นคำที่สั้นแต่มีความหมายกว้าง <c oughs> ถ้ายา ก, กล่าวอย่างง่ายๆก็คือบุญหรือความดีที่เป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญา ยังจะอธิบายขยายความออกไปได้อีกสถาบันพุทธวนาวิชาธรรมตากกายตั้งขึ้นก็มุ่งหมายที่จะให้เป็นสถานที่ที่ผู้ต้องการในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้นได้มา ใช้สอแสแงหงาเพราะว่าแม้แต่บุญความดีนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเก็บเอาได้ที่นั่นที่นี่ต้องมีสถานที่ที่จะสอแสแงหงา ที่ไม่ต้องมีสถานที่สอดแสวงหานั้นก็มีเฉพาะแต่องค์พระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าของเราไม่ต้องมีสถานที่ให้สอสแสวงหาแต่เพราะพระบารมีธรรมสิบประการมีทานะบารมีเป็นต้นเต็มเปี่ยม ก็เป็นเหตุให้พระองค์ไปประทับนั่งที่ใต้จนโพแล้วก็บรรลุอนุตตสัมมาสัมโพธิญาณพระอาจรกถาาจารย์จึงได้อธิบายเรื่องปัญญาสามประการว่าปัญญาที่เกิดขึ้น แกองค์สมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นจินตามยัปัญญาซึ่งอธิบายขยายความออกไปอาจจะแตกต่างกันแต่พระอาจารย์ท่านได้ระบุไว้ว่าพระปัญญาของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นเป็นจินตามยัปัญญา ทรงมีบรพระบรมีเปี่ยมเต็มแล้วทรงพิจารณาแล้วก็เกิดปัญญา ต, ตรัตูุอนัตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนคนอีกเป็นจำนวนมากถ้าพูดถึงคนละโลกเวลานี้ <c oughs> ก็มีสามพัน วาลานคนจำนวนมากเหล่านี้ที่จะมีบารมีธรรมอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คงหายากจึงต้องมีสถานที่ที่จะให้เสาะแสวงหาสำหรับผู้ต้องการและผู้เข้าใจ ท่านเจ้คุณภาวนาวิสุทธิคุณหรือท่านอาจารย์เสริมชัยได้ริเริ่มมาก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ขึ้นครั้งแรกไม่มีอะไรเป็นดินเปล่าๆท้องนาแต่ก็ อาศัยวิยะบารมีเป็นต้นจึงทำให้สามารถที่จะทำท้องนานั่นให้เป็นสถานที่ดังปรากฏอยู่ในขณะนี้เป็นที่สะดวกสำหรับที่จะใช้สอดแสวงหาความดี หรือบุญดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้มีความตั้งใจที่ได้พูดกันแม้จะไม่ชัดเจนนักแต่ก็พอที่จะกล่าวได้ว่าเป็นความตั้งใจแน่วแน่ว่าเพื่อที่จะ ให้มีสถานที่ในลักษณะนี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้การาธนาอะไรเกินไปกว่าให้เป็นสถานที่สอดแสวงหาบุญกุศลความดีเท่านั้นไม่ได้คิดว่า จะให้เป็นสถานที่ที่ใหญ่โตให้เป็นสถานที่โด่งดังไปทั่วโลกหรือเป็นสถานที่ที่ใครๆก็จะต้องมายอมน้อมเคารพความปรารถนาที่แน่วแน่ความตั้งใจที่แน่วแน่ซึ่งเป็นอธิษฐานส่วนหนึ่ง ในอธิฐานะบารมีเป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จได้แม้จะยังปราถนาตานหาต่อไปอีกตั้งใจสูงขึ้นไปแต่จุดใหญ่ก็อยู่ที่จุดเดียวก็คือให้เป็นสถานที่ส่อแสแวงหาความดีบุญกุศล ของคนดังหลายที่ต้องการเท่านั้นเมื่อกิจเป็นกุศลความตั้งใจซึ่งเป็นเจตสิกธรรมเข้าไปประกอบอยู่ในกิจเช่นนี้ทำให้กิจเป็นกุศลละกิจ แม้แต่การมาวาจอก็าศัยจิตจิตซึ่งเป็นจิตขั้นต้นฝ่ายกุศลก็ยอมอำนวยผลโดยประการต่างๆเฉพาะท่านโยคุณภาวนาวิสุทธิคุณเองอาจจะมีความเข้าใจกันโดยประการต่างๆ ว่าท่านได้รับพระาชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะหรือเป็นเจ้าคุณเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้แต่ว่าถ้าพิจารณาตามคำสอนแล้วมาแต่กุศลจิตเป็นสำคัญกุศลจิตที่ตั้งไว้เกิด เกิดอธิฐานะบารมีและบารมีอื่นๆขึ้นมารวมกันเป็นเหตุให้ท่านเจาคุณภาวนาวิสุทธิคุณได้รับผลที่เป็นรูปธรรมซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงกาหนดเรียกว่าอิทธารมซึ่งเป็นอารมณ์ที่ สัตว์โลกต้องการโดยกันอย่างนั้นแต่ว่าต้องเป็นอิทธารมณมที่เป็นกุศลจึงกะจึงจะตรงกันกับความหมายของคำว่าอิทธารมณมในที่นี้ตัอคุณภาวนาวิสุทธิคุณได้รับผลที่เป็นอิทธารมณม ในปล่ายดีสี่ประการซึ่งทราบกันอยู่แล้วในเรื่องโลกกระมที่พระพุทธองค์ตรัสในส่วนของท่านเยคุณเองจึงเห็นได้อย่างหนึ่งว่ากุศลกิจที่ตั้งไว้อย่างแน่วแน่มีผล ทั้งในปัจจุบันและในการข้างหน้าที่กล่าวนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจในจุดของความดีหรือบุญกุศล เพื่อที่เราจะได้รับผล <c oughs> แห่งบุญกุศลอันเกิดจากจิตที่เป็นกุศลนั้นจะเป็นการข้างหน้ายาวนานเท่าไรไกลไกลก็แล้วแต่ความตั้งใจของเราท่านที่ มาปฏิบัติธรรมจึงต้องตั้งใจให้แน่วแน่ที่สาธุชนได้รับฟังจบลงไปสักครู่นั้นก็เป็นโอวาทกล่าวปิดการอบรมของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพและที่สําคัญพระเดชพระคุณเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จ อย่างเป็นองค์ประธานของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทำหน้าที่ในการให้การศึกษาอบรมพระกรรมฐานแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรสาธุชนทั่วไปเป็นประจำทุก ป, ปีปีละสองรุ่นซึ่งพระเดชพระคุณก็ได้กล่าวถึงการศึกษาและปฏิบัติธรรม ว่าจะต้องมีความเข้มแข็งและเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายถ้าเรามีหลักธรรมซะแล้วย่อมจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้สำหรับธรรมะเรื่องนี้ยังมีอีกอยู่เหลืออีกหนึ่งตอนแต่เวลาของทางรายการวันนี้ได้หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจไฝ่ธรรมโปรดติดตามธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบทั้งทางโลกและทางธรรมสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทริญเจริญพร